มันมีเกมเกมหนึ่งนะที่เป็นที่ฮือฮาทั่วโลกนะคนเล่นเกมนี้กันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังแต่ว่ายังมาไม่ถึงเมืองไทยนะได้ข่าวอย่างนั้นแต่ว่าประเทศอื่นนี่นะเาาก็เผยแพร่กันชื่อว่าเกม Go, นะโปเกมอนโกนะโปเกมอนนี่มันเป็นเกมเก่านะสัก 10-20 ปีมาแล้วนะที่ เด็กเหรือวัยรุ่นเขาเล่นกันอาตมาเพลิน เ, เกิดก่อนพวกนี้นะก็เลยไม่ได้เล่นโปเกมอนเป็นเกมที่ตามหาตัวสัตว์ประหลาดชื่อโปเกมอนนะแล้วก็จับมาได้แล้วก็เอามาฝึกเข้าใจว่าเอามาปราบสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆรวมทั้งโปเกมอน Pokemon ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะอันนี้เท่าที่เข้าใจนะ แต่ก่อนโปเกมอนนี่มันก็ต้องก็เล่นอยู่ในห้องใช้เครื่องเล่นเกมออนไลน์หรือเครื่องเล่นเกมวิดีโอเกมอะไรทำนองเนี้ยนะแต่ตอนนี้โปเกมอนนี่เขาพัฒนามาเล่นกับโทรศัพท์มือถือแต่ว่ามันพิเศษนะเพราะว่าจะเล่นโปเกมอนโกได้นี่นะต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ชูโทรศัพท์มือถือไว้เงี้ยนะ ชูไว้ข้างหน้าปกติโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเราเปิด mm hmm. เปิดโหมดที่เป็นกล้องนี่นะแล้วเราชูไว้ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นภาพสถานที่นะเป็นภาพอาคารเป็นภาพเส้นทางถนนนะรูดแท้แต่ว่าเราอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราเปิดแอปโปเกมอนโกนี่นะไอภาพสถานที่เนี่ยมันจะมีความพิเศษสถานที่ที่อยู่ข้างหน้าเราถนนที่อยู่ข้างหน้าเรา ตึกที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหรือว่าสวนสาธารณะเนี่ยมันจะมีตัวโปเกมอนซ่อนอยู่ด้วยอันนี้หน้าที่ของคนเล่นก็คือว่าไปตามจับตัวโปเกมอนที่มันซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆนะแล้วก็เอามาฝึกนะแล้วก็ไปสู้กันนะอันนี้มันเป็นเกมที่ทัดพัฒนานะคือว่าอาศัยสถานที่จริงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มันปรุงแต่งเติมต่อเติมสถานที่จริง จึงมีตัวโปเกมอนซ่อนอยู่คนก็พากันเดินออกไปนะจากบ้านเรือนออกจากบ้านเรือนไปที่โน่นที่นี่เพื่อตามหาโปเกมอนแต่ก่าเราเห็นแต่คนก้มหน้านะคนก้มหน้าเขียนข้อความทางไลน์ทาง a ฟ e บุ o กตอนนี้ไม่ก้มแล้วเดินแล้วก็เอาโทรศัพท์ชูไปข้างหน้านะเพื่อจะได้ดูว่าโปเกมอนนี่มันซ่อนอยู่ตรงไหน บางคนก็เดินเข้าไปในสถานีตํารวจเลยนะไม่รู้อินโอยินเนเพราะว่ามันเพลินนะโดนตํารวจไล่ออกมาบางทีก็เดินเข้าไปในค่ายทหารนะมันไม่ใช่สถานที่ที่ใครเดินเข้าไปได้บางคนเดินไปริมน้ําก็ไปเจอศพนะคนจมน้ําตายอ้าวเป็นข่าว อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวคนไทยก็กําลังรอนะโปโกเกมอนโกนะ มันถ้าคิดดูนะคนเรานี่นยอมทุ่มเทเป็นวันๆนะตามหาตัวโปเกมอนเะนี่ยงานการไม่ทํานะเรียนก็ไม่เรียนตามหาโปเกมอนแต่ว่าไอ้สิ่งที่ควรตามหามากกว่านะคือตามหาใจของตัวเองเนี่ยนะกับไม่ค่อยสนใจนะคนทุกวันนี้เนี่ยนะทำใจตกหลน่นนะวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งนะแล้วครั้งหนึ่งก็นานๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะตามหาจิตใจอะนะ ตามหาจิตใจเรียกอย่างก็คือตามหาตัวอนั่นแหละคนทุก ว, วันนี้ลืมตัวกันเยอะมากนะเวลาเราลืมของเนี่ยและเรารู้เราก็ต้องไปตามหาของนั้นคนลืมตัวมันเป็นการลืมที่สําคัญยิ่งกว่าลืมโทรศัพท์นะยิ่งกว่าลืมกุญแจแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยสนใจที่จะตามหาตัวเราเท่าไหร่ นะลืมตัวก็ปล่อยให้ตัวมันถูกทิ้งคว้างอย่างนั้นแหละปล่อยให้ตัวมันถูกทิ้งตกหลน่นไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างนะหรือไปอยู่กับสิ่งนอกตัวบ้างนะแต่ว่าไม่ค่อยสนใจที่จะหาตัวหรือว่าหาจิตหาใจงตัวกลับมาคนเวลานี้ก็ไปหาอะไรต่ออะไรที่ไม่ค่อยเป็นสาระเยอะนะไอ้สิ่งที่เป็นสาระ ก, กว่านี่ไม่สนใจทำ ใจตกหลน่นทําตัวหล่นหายนะหรือว่าบางคนก็บอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยทำความฝ่ายฝันตกหล่นหายไปแล้วยเยอะแยะคนไม่มีความฝ่ายฝันอะไรนะบางคนก็ไปตามหาความฝ่ายฝันเดินทางไปที่ไกลๆเพื่อตามหาความฝ่ายฝันบางคนความฝ่ายฝันก็อยู่ที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ก็พยายามเทียดดันต้นให้ไปถึงยอดเขาแต่ว่า ไอ้สิ่งที่สําคัญกับความฝ่ายฝันนะมันก็ก็คือใจของเรานี่แหละก่อนที่จะตามหาความฝ่ายฝันได้มันต้องตามหาตัวเราให้เจอก่อนว่าเราเป็นใครนะเราชอบอะไรเราถนัดอะไรนะคนเดียวนี้ไม่รู้นะว่าตัวเองเป็นใครเวลาจะเรียนคณะไหนก็ไม่รู้ว่าคณะไหนเหมาะกับตัวไม่รู้ว่าตัวเองชอบวิชาอะไร ก็เรียนตามที่พ่อแม่บอกจบแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าจะทำอาชีพอะไรเราเคยมีโยมาปรึกษาธรรมานะว่าลูกเพิ่งจบนะปริญญาตรีแล้วก็ไม่รู้จะให้ลูกทำงานอะไรที่จริงมันไม่ใช่เรื่องของพ่อแมนะ่มันเป็นเรื่องของลูกที่ต้องตัดสินใจว่าจะทำงานอะไรซึ่งก็ต้องอาศัยความชอบแล้วก็ต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตด้วยนะ แต่คนเดียวนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรจบแล้วจะทำอะไรอันนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จักตัวเองนะแลหลายคนก็บอกนะว่าฉันอยากจะใช้ชีวิตนะเดี๋ยวนี้มีคนพูดนะมีอาจารย์มาเล่าว่าเดี๋ยวนี้นักศึกษาเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรียนหนังสือแล้วอยากจะใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตที่เขาหมายถึงก็คือว่าเที่ยวเล่นนะดื่มกิน อัตามา ก, ก็เลยบอกว่าคนเราเนี่ยจะใช้เงินได้เนี่ยมันต้องหาเงินก่อนถ้าไม่ไม่หาเงินแล้วมันจะมีเงินใช้ได้ยังไงเพราะนั้นคนเราจะใช้ชีวิตได้เนี่ยมันก็ต้องหาหรือสร้างชีวิตก่อนนะเราต้องสร้างชีวิตขึ้นมาก่อนถึงจะใช้ชีวิตได้แต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ชีวิตยังไม่ทันสร้างเลยเรียนก็ไม่เรียนงานการก็ไม่ทำเงินของตัวเองก็ไม่มีต้องแบมือขอพ่อแม่ ยังไม่ไ hmm. ด้สร้างชีวิตเลยนะแล้วจะใช้ชีวิตได้อย่างไรก็ต้องสร้างชีวิตก่อนเช่นการเรียนหนังสือแต่จะเรียนหนังสือได้ก็ต้องรู้จุดหมายชีวิตคืออะไรเรียนไปทําไมนะต้องมีความใฝ่ฝันความใฝ่ฝันนี่ก็มันไม่เหมือนความฝันนะความฝันนี่มันเป็นเรื่องฟุ้งซ่านอาจจะเป็นเรื่องที่คิดไปสารพัดนี่คือฝันกลางวันนะแต่ไฝ่ฝันนี่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะแต่เองที่บอลนะคนเราจะมีความใฝ่ฝันได้มันก็ต้องเห็นตัวเองรู้จักตัวเองก่อน แต่คนเดนี้นี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเพราะว่าไม่ได้กลับมามองตนนะอูแบบลืมตัวนะเพลินไปกับความสุขชั่วครูชั่วยามนะไหลไปตามกระแสนะพอมีเกมโปเกมอนอ้าวก็ไปตามกระแสแล้วก็ก็หาตัวโปเกมอนนะเสร็จระหว่างที่หาหนั้นก็ลืมตัวยิ่งหาโปเกมอนก็ยิ่งลืมตัวนะเพราะว่า ไปเข้าบ้านใครก็ไม่รู้นะมันเพลินไงนะตานี่มองแต่กล้องอมองแต่โทรศัพท์มือถือนะเข้าไปในค่ายทหารเข้าไปในบ้านคนนะบางทีอาจจะเดินตกสะพานก็ได้นะเพราะว่าไอ้ไอ้ภาพที่เห็นในจอเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เป็นภาพจริงมันเป็นภาพที่คล้ายๆกับ google map นะเป็นภาพที่เขาปรุงแต่งต่อเติมขึ้นมาโดยใช้สัญญาณ gps มันก็เหมือนกับเวลาเรา ใช้กูเกิลแมปนะมันก็เห็นทางนะแต่ทางที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทางจริงมันไม่ใช่เป็นภาพถ่ายแต่มันเป็นภาพที่เกิดจากการต่อเติมนะทําให้เห็นง่ายเพราะฉนะนั้นบางคนเนี่ยนะใช้กูเกิลแมปนะในการเดินทางปรากว่าเข้าแล้วเข้าพงไปเลยก็มีเพราะว่าของจริงมันไม่มีถนนนั้นบางทีก็เกือบจะตกสะพานก็มีหรือบางทีก็เข้าป่าไปเลยนะอย่างที่ เมื่อวานนี้อาจารย์สมใจบอกว่าเนี่ยจะไปมีคนบอกว่าเนี่ยจะไป อ, า, อาสมของอาจารย์ทรงศิลเนี่ยนะมันต้องดูแผนที่นะแต่อย่าใช้ Google map เพราะว่าอาจจะเข้าป่าไปได้นะนะภาพที่เห็นในจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์เนี่ยกับความจริงไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เลยพอใช้พอเล่นโปเกมอนนะโก้ด้วยนะมันก็เลยผู้คนก็เลยเนี่ยหลงทิศหลงทางนะอันนี้เรียกว่าหนักเข้าไปใหญ่ แทนที่จะาหาตัวเองให้เจอนะไปหาโน่นหาหนี่เสร็จแล้วตัวเองก็ยิ่งลืมตัวหลงตัวทําตัวตนตกหายทําใจไม่รู้หล่นหายไปที่ไหนถ้ามันมีเกมที่ทําให้คนเราเนี่ยค้นพบตัวเองหาตัวเองเจอก็จะดีนะแต่เกมแบบนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไม่ต้องพึ่งเกมนะเราก็พึ่งการปฏิบัติของเรานี่แหละ ไอาการที่เราทําอะไรก็รู้สึกตัวตัวอยู่ใหนใจอยู่นั่นนะใจเผลอใจลอยไปก็มีสติเรียกกลับมาตรงนี้แหละที่ไม่ทำให้เราเนี่ยได้เจอตัวเองนะได้เห็นตัวเองนะเพราะสติมาช่วยทาให้เราเหมั่นมองตนเห็นตนพิจารณาตนอยู่เสมอตอนนี้รู้สึกอย่างไรนะตอนนี้มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้รู้แล้วก็ ไม่ใช่ปล่อยให้มันครอบงำใจจนโกรธแค้นนะจนเศร้าโศกจนชีวิตตกต่ำย่ำแย่เพราะว่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำถ้าจาเป็นมากนะหาตัวอให้เจอแต่ก่อนจะหาตัวให้เจอก็ต้องหาใจให้เจอก่อนใจมันลอยไปไหนอา้าวเรียกมันกลับมาใจเราตกหล่นนะไปตรงโน้นะตรง น, น, รงนี้เนี่ยเยอะแ ย, ยะมากนะ นะนั่งฟังนี่ใจก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้นะหลายคนอันนั้นเรียกว่าลืมตัวแล้วนะเพราะตอนนั้นก็ลืมว่ากาลังนั่งอยู่ลืมไปว่าเสียงที่มากระทบหูเนี่ยหมายความว่าอย่างไงฟังแต่ไม่ได้ยินไอ้ฟังแต่ไม่ได้ยินก็นี่ก็เป็นอาการลืมตัวแบบหนึ่งนะเพราะว่าใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันไงใจมันไปอยู่นอกตัวไป อยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างไปจมอยู่กับอารมณ์บ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาตัวโปเกมอนก็หาไปนะมันก็เป็นความพเพลิดเพลินแต่ว่าอย่าลืมนะเรื่องการหาใจตัวเองและถ้าหายใจตัวเองเจอมันก็จะค้นพบตัวเองนะแล้วค้นพบตัวเองเนี่ยมันก็รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเจอความใฝ่ฝันนะที่ทําให้การใช้ชีวิตเรามามีมค่านะไม่ใช่ปล่อยชีวิตไปตามกระแสแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นการใช้ชีวิตใช้ชีวิตทั้งนั่ที่ มันเป็นการปล่อยชชวยอไอซูเป่ามากกว่านะอะละก็เตรียมรับพร